ทำอย่างไรได้อย่างนั้นกละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีสองพี่น้องเจมส์และจอแดนอาศัยอยู่เจมส์เป็นพี่ชายคนโตแต่เขาเป็นคนร้ายกาดตั้งแต่โตมาเขาทั้งหยาบคายและใจร้ายกับทุกๆคนเฮ้ยเราไปให้พ้นทางเซ่เออทำไมหยาบคายอย่างนี้นะ ก็เธอขวางทางท่านอยู่ยังไงเล่าผมขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงพ่อของนายต้องโชคดีมากที่มีลูกอย่างนายจอแดนเจมส์่างหยับคายเหลือเกินใช่แล้วจอแดนต่างกันเราฟ้ากับเหวกับพี่ชายวายร้ายของเขาเขาทั้งใจดีสนใจผู้คนก็อย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเขารักพ่อของเขาไม่จบสิ้นพ่อครับ พบได้ผลไม้ที่พ่อต้องการมาด้วยขอบคุณลูกชายเจมส์ช่วยส่งมันมาให้พ่อหน่อยนะอืมผมต้องไปเจอเพื่อนขอโทษด้วยนะครับพ่อโอ้นี่ครับพ่อฟังนะเจมส์ไม่ว่าลูกจะทำอะไรลูกก็จะได้อย่างนั้นจำที่พ่อพูดไว้หมายความว่ายังไงกันนะอ้อช่างเถอะผมไปดีกว่า อ ย, อย่าห่วงเลยพ่อผมมั่นใจว่าลึกๆแล้วพี่เขาเป็นคนจิตใจดีนะครับวันหนึ่งพ่อของพวกเขาป่วยหนะักและพูดกับลูกๆทั้งสองว่าเจมส์จอดนพ่อไม่คิดว่าพ่อจะอยู่ได้อีกนานนักนะ <c oughs> พ่ออยากให้ลูก แบ่งที่ดินผืนนี้และสินทรัพย์ให้เท่าๆกันอะไรนะพ่อครับอย่าพูดแบบนั้นเลยพ่อจะต้องดีขึ้นแน่จำเอาไว้นะลูกครอบครัวสำคัญยิ่งนักหลังจากนั้นไม่กี่วันพ่อก็จากไป จอแดนเศร้าเสียใจมากในทางกลับกันเจมส์กลับขึ้นฮัดดำขาญถ้าเป็นลูกคนโตพ่อควรจะให้ทุกอย่างกับฉันเซ่ฉันควรจะได้มันตามกฎหมายแล้วก็ไล่จอแดนใส่หัวไปนั่นคือสิ่งที่เขาทำเจมส์เออนี่พี่พี่จะกมก็ฉันเป็นลูกคนโตฉันต้องได้ทุกอย่างเซ่มันไม่พอหรอกนะถ้าจะแบ่งให้นายนะ่ะส่หัวไป แต่จะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนแล้วว่าฉันทําอะไรอ่ะแต่เจมส์ก็ไม่สนใจเขาแค่หัวเราะและปิดประตูใส่หน้าจอแดนจอแดนเองก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเขาจึงตัดสินใจออกจากบ้านและเริ่มชีวิตใหม่ที่อื่นไม่นานนะักเขาเดินทางมาสู่ดินแดนที่แห้งแลง้งมีบ้านโสมอยู่หลังหนึ่งเขาไปยังหมู่บ้านใกล้ๆและได้งานทํา ด้วยเงินที่เก็บหอมรอมดิบ <c oughs> เขาสร้างบ้านเก่าๆนั้นขึ้นมาใหม่เตรียมที่ดินเพื่อพอะปลูกและไถคลาดมันไม่นานนะักเขาก็มีครอบครัวเล็กๆที่แสนอบอุ่นอยู่มาวันหนึ่งจอแดนดันตกงานในไม่ช้าเงินเขาก็เริ่มร่อยหรอโชคดีจังนะที่เรายังมีไร่ที่พอจะมาทังชีวิตไปได้นะไม่กี่วันผ่านไปความแร้นแค้นก็เข้ามาสู่ไร่เขา ครอบครัวต้องตกกระทำลำบากอย่างหนักจอแดนพยายามหางานทำแต่ไม่สำเร็จเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะนี่มันสองสัปดาห์แล้วนะเรามีเงินกันอยู่แค่นิดเดียวนะทำไมคุณไม่ไปขอพี่ชายคุณให้ช่ว ย, ยหน่อยล่ะคะพอฮะผมหิวจังเลยโอ้เอานี่ลูกทานให้หมดเลยกินไปเลยลูกใช่ผมว่าคงจะต้องลองทำแบบนั้นเขาจึงเดินทางไปหาพี่ชาย เจมส์เปิดประตูและหัวระใส่เขาทำไมจอแดนที่รักถึงกลายเป็นคนกระจอกผู้น่าสงสารไปละ่ะในมาที่นี่เราคิดว่าฉันจะช่วยอย่างนั้นละ่ะคือนายออจะไม่ช่วยฉันเหรอไม่มีทางรอกถ้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับนายอีกแล้วใส่หัวไปซะแล้วอย่ากลับมาอีกนะ เขาผิดประตูใส่หน้าจอแดนผู้รันเจมส์ดีใจกับความรวยและชีวิตของเขาเขาไม่เปลี่ยนเลยแถมยังเป็นคนนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมจอแดนเดินกลับบ้านท้าช้าระหว่างที่เขาเดินอยู่เขาเห็นงูกำลังจะจู่โจมลูกนกโอไม่ลูนกน้อยตัวนั้นเจอเรื่องใหญ่เข้าแล้วโอไม่นะชิ๊ เจ้านกน้อยตกลงไปในพุ่มไม้แต่เมื่อจอแดนเข้าไปดูมันเาของมันเจ็บโอ้น่าสงสารจังอย่ากลัวไปเลยนะแต่ว่าเออท่านจะทำยังไงดีเนี่ยเขาจึงพานกน้อยกลับบ้านทายาให้มันแล้วพันขามันไว้ด้วยเศษผ้าและเพื่อให้แน่ใจว่าลูกนกถูกดูแลอย่างดีด้วยเขาและภรรยาไม่กี่วันผ่านไปลูกนกก็หายดี มันบินออกไปอย่างมีความสุขมันบินร่อนวนรอบบ้านอยู่3ามครั้งแล้วก็บินหนีไปสิ่งมีชีวิตที่น่ารักแต่ที่ราคาเราต้องหาวิธีหาอาหารกันอย่างเร็วที่สุดเลยละค่ะวันหนึ่งจอแดนดูหมดอะไรตายอยากในทุ่งของเขาเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยอ๋อออสวัสดีเจ้านกน้อย ลูกนกที่จอแดนเคยช่วยชีวิตไว้ทิ้งเมล็ดพันธุ์ไว้ที่พื้นแล้วมันก็จากไปอ อ, อะไรกันเนี่ยฮะโอ้หลังจากนั้นพื้นดินก็เริ่มสั่นสะท้านเราก็มีแผ่นดินไหวและสิ่งที่โผล่พ้นดินออกมา ก, ก็คือต้นแตงโมฮะดูสิฮะแตงโมลูกใหญ่เอว้าว งั้นเราเอาพวกมันกลับบ้านกันดีไหมเขานําพวกมันกลับบ้านและทุกคนก็รออยู่ขณะที่จอแดนหันมันเป็นชิ้นเมื่อเขาหันมันทุกคนต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเหรียญทองที่ไหลออกมาโอ้โอ้คุนพระคุณเจ้าโอ้ทองทั้งนั้นเลยอะผมชักสงสัยว่าลูกอื่นๆจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาหันลูกอื่นๆและเพชรเนรจินดาก็ร่วงลงมาโอ้แย่จัง แล้วทายมันไม่ได้อ่อลูกรักจ๊ะที่มันดียิ่งกว่าอีกเนะ <laughs> จอแดนนาทองและอัญมณีไปขายและไม่นานครอบครัวเขาก็ลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเล่าให้ชาวบ้านฟังเรื่องที่เขาโชคดี <laughs> เพื่อนของเจมส์ก็อยู่ในฝูงชนด้วย <c oughs> เพื่อนคนนั้นไปบอกเจมส์ถึงความโชคดีของจอแดน เจมส์โมโหมากเขาฟังเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้และเขาก็เกิดอาการโลภขึ้นมาวันถัดไปเขาจึงเข้าไปในปา่าอืมฉันจะเจอนกขาไปได้ที่ไหนกันนะโ อ, โอ้ตอนนั้นเองที่พื้นก็มีนกตัวจิ๋วอยู่ซึ่งขาของมันหักเจมส์ปรีเข้าไปแล้วก็จับมันขึ้น ไอเจ้าลุกนกเอ้ยฉันจะช่วยแกเองแต่ว่ามีเงื่อนไขเดียวที่แกต้องช่วยฉันด้วยโอเจมจึงนิงๆ น, นกกลับบ้านไปและพันขาของมันไว้ไม่กี่วันนกก็หายดีและพร้อมจะบินออกไปไปแล้วเหรอจะมาไว้นะแกต้องเอาโชคล่าไมา้ฉันยิงกว่าที่แกให้น้องชายของฉัน เอ้าใจไหมนกมองไปที่เจมส์ผ่านแววตาอันเฉลียวฉลาดของมันมันเข้าใจดีว่าเจมส์คือคนที่โหดร้ายบินไปให้พน้นซะไปแล้วก็เอาขุมทรัพย์มาให้ฉันด้วยๆๆวันถัดไปเจมส์ยืนอยู่หน้าบ้านมองหาการบินกลับมาของนกท้ายที่สุดมันก็บินกลับมาและเจมส์ก็ลิงโลดใช่ ในที่สุดมาปลูกต้นทองกับเครื่องเพชรให้ค่าซะดีๆนะเจมส์มองดูเมื่อเมล็ดพันธุ์ร่วงหล่นไปที่พื้นจากนั้นแผ่นดินก็เริ่มสะเทือนและมีต้นแตงโมออกมาพร้อมกับแตงโมลูกใหญ่ยักษ์โอ้พระเจ้าแตงโมพวกนี้ใหญ่ตโตมหลานมากฉันจะรวยล้นฟ้าสักขนาดไหน ก็นนำพู้มันกลับบ้านแล้วก็หั่นมันเป็นชิ้นแต่แทนที่จะเป็นเหรียญทองมันกลับกลายเป็นแมงมุมขนดกนับสิบคืบคลานออกมาจากแตงโมเออเฮอฮอออแมง ม, มุมอ่ะอีว่าอะไรกันเนี่ยเฮ้อเราเราเหรียญทองเหรอหรือว่าบางทีแตงลูกที่สองอาจจะมีนะเขาพาแตงโมลูกที่สองหวังว่าจะมีเหรียญทองแต่ครั้งนี้ หนูตัวโตโผรออกมาหนูออกมาภรรยาและลูกชายเขากรีดร well ้องวิ่งออกมาปล่อยให้เจมส์งงอยู่คนเดียวอืลองอีกลูกสิลูกที่สามนำโชคเสมอละนะาค้าพาแต่งมลูกที่สามแต่มันกลายเป็นงูใหญ่ยักษ์หน้าเกลียดหน้าตัวที่สุดที่เขาเคยเห็นเขาวิ่งออกมาอย่างหน้าตาตื่นเขาออกมาเยืนรวมกับครอบครัวด้านนอกกรีดร้องและสับสน พวกเขามองดูแตงโมลูกอื่นที่ค่อยๆแตกออกซึ่งมีแต่ศัตรูพืชทยอยออกมาบ้บบานฉันทุ่งของฉันไม่เขามองทุกอย่างที่ได้มาด้วยความละโมกค่อยๆถูกทำลายไปจนกลายเป็นผุยผงแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะทินนี้ทำไมคุณไม่ไปขอความช่วยเหลือน้องชายของคุณละ่ะเจมส์ไม่อยากไปหาจอแดนหลังจากทุกอย่างที่เขาเคยทาไว แต่เขาก็ไม่เห็นทางอื่นอีกเขาจึงกลั้มกลืนความละอายใจและแบกหน้าไปจอแดนจอแดนช่วยฉันด้วยนะเดโปรดเจมส์เหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่เป็นอะไรไปเจมส์ James, เล่าให้จอแดนฟังทุกอย่างและการที่เขาอิจฉาน้องชายมาตลอดเขารู้สึกเสียใจใสิ่งที่ทำลงไปจอแดน ฉันเสียใจด้วยกับสิ่งที่ทำฉันไม่น่าไล่นายออกจากบ้านไปเลยเจมส์ <c oughs> James, ไม่เป็นไรฉันให้อภัยพี่ยังไงนายก็เป็นพี่ฉันอยู่ดีงั้นเราไปขอความช่วยเหลือกันดีไหมโอ้นายเป็นน้องชายที่ประเสริฐที่สุดเลยวันถัดไป พี่น้องสองครอบครัว ก, ก็ช่วยกันแข่งขันเจมส์ James ดูมีความสุขดีและเขาจขําคบพูดพ่อได้ขึ้นใจลูกทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นโอ้น่ะเป็นเรื่องจริงเลยที่พ่อพูดไว้โอ้ฉันปลูกต้นความโลภ ก, กับความร้ายกาจชีวิตฉันก็เลยมีแต่หายันละนี่จึงเป็นสิ่งที่เจมส์ได้เรียนรู้ ว่าหากคุณกระทำการใดๆด้วยเจตนาชั่วร้ายก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามมาและถ้ากระทำการด้วยความตั้งใจดีชีวิตก็จะมอบแต่สิ่งดีงามให้กับคุณ